อันดับต่อไปขอให้ยยาวชทั้งหลายตั้งใจกรดน้ำภาคภาษาไทยอีทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยด้วยบุญกรรมข้าพระเจ้าได้ทำทั้งกายวาจาอีกทั้งน้ำใจ เลื่อมใสศรัทธาวันนี้จงมาอวยผลบรนดานให้อุปั ช, ชาอาจารย์แห่งข้าบิดามารดาญาติกาวงวานจงกเกษมสำราญทั่วหน้ากันไปสุริยันจันทราองค์พระราชาผู้ผ่านพบไกล ผู้มีพระคุณทุกรุ่นทุกวัยเชิญรับเอาไปแต่ล้วนส่วนบุญอินพรมยมยักษ์เสื้อเมืองเรืองศักด์ทรงเมืองการุนเพื่อนฝงทั่วไปที่ได้อุดหนุนเทพผู้ทรงคุณจจตุโลกบาลมนุษย์และสัตว์คู่แค้นเคืองขัด จองเวรล้างผลาญตีดาฆ่าไว้ด้วยใจเป็นพานจงกเกษมสำราญเลิกจองเวรภัยเชิญรับกุศลที่ฆ่าแผ่ผลอุทิศส่งให้และจงสำราญเบิกบานกายใจจนกว่าจะได้บรรลุพระนิพพานด้วยบุญกรรม พร้อมคำอธิษฐานที่ว่ามานี้เป็นที่ชื่นบานขอจงบรรดาลฉับพลันทันใดให้ข้าบรรลุธรรมจักษุธรรมมาพิสมัยตัดอุปาทานตันหาขาดไปสันดานผ่องใสปราศจากเลวทราม สติปัญญาความเพียรแก่กล้าความคิดดีงามทุกชาติทุกภพประสบแต่ความสุขอย่างสวยงามตราบเข้าพระนิพพานมาราธิราชอย่าได้โอกาสตามระจนผลานมุ่งทำสิ่งใดขอให้การงานสำเร็จสำราญ ตลอดปลอดภัยเดชะพระพุทธพระธรรมบริสุทธิ์พระสงฆ์เป็นใหญ่จงเป็นที่พึ่งกำจัดเวรภัยอันตรายใดๆจงนิราชปราดเทินนิพพานปัจโยโหตุ